ภูเขาแปลว่าน่าเกลียดเพราะเป็นที่ตั้งแห่งอุปัตทวะถ้าหากว่าเรามีขันเนี่ยนะชาติทุกชราทุกมรณะทุกโสกาปริเทวะทุกกระทรมนัสสาอุปายาจะมนหนาเกลียดดังนั้นนะกองเหล่านี้เป็นที่ตั้งของอุปัตทวะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเป็นอเนกเชื่อว่างเปล่าเพราะเว้นจากอะไรคําว่าว่างเปล่าในที่นั้นคือเว้นจากความยั่งยืนเว้นจากความงามเว้นจากความสุข แล้วเว้นจากความเป็นตัวเป็นตนที่คนพานเขาคิดเอาอ่ะคนพานเขาคิดว่ายังไงเขาคิดว่ายั่งยืนคิดว่างามคิดว่าสุขคิดว่าเป็นตัวเป็นตนนั้นคนพานคนพานเขาคิดแบบนี้นะเราคิดแบบนี้ไหมเราคิดอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยลำพัตรลีคิดงี้ป่ะกลัวจจะเป็นคนพานได้อย่างไงไอต่เผือที่อะไรคิดทุกทีก็วังเงนน่ยให้สังเกตด้นะ ให้สัะเกียดอยู่นวว่าถ้าเป็นชั้นเนี่ยนะโอ้แนวว่าจะตั้งขึ้นมาถ้าเป็นชั้นขึ้นมาเนี่ยเพราะพ่อมันไปยั่งยืนเนี่เป็นงามันสูงมันเป็นตัวเป็นต้นขึ้นมาเนี่ยลักษณะนี้คนพานก็คิดเอาเหตุนั้นจึงเรียกว่าทุกข์เพราะเป็นความน่าเกลียดและเป็นความว่างเปล่าเป็นความว่างเปล่าเพราะทุกข์นั้นพระรยาเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแทงตลอดได้ยังแทงตลอดแล้วฉะนั้นอริยสัจเนี่ยสัจจะที่พระริยาเจ้าทั้งหลายพึงแทงตลอดท่านกล่าวว่าเป็นอริยสัจ เป็นอริยสั์ชื่อว่าอริยสัตเพอมีความหมายว่าเป็นสัจจะของพระอริยะคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นเองพระตถาคตหรือพระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุด้วยพระองค์เองและก็ทรงประกาศแล้วเพราะความที่คนเหล่านั้นจะพึงบรรลุได้ก็เพราะความเหตุทั้งสองประการนั้นน่ะนะ สัจจานั้นจึงเป็นของพระตถ า, าคตนั้นอีกประการหนึ่งชื่อว่าอริยสัจเพราะหมายความว่าอะไรเป็นสัจาะที่ให้สําเร็จความเป็นพระอริยะเพราะความสําเร็จความเป็นพระอริยะเหตุที่สัจจานี้พระตถ า, าคตได้ตัดสรู้แล้วดังนี้ก็มีเออถ้าพิจารณาอย่างนี้บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทุกอริยสัจโดยสรุปจึงตัดบอกว่าชาติปีทุขขา คำว่าชาติเนี่ยคำว่าชาติเนี่ยหมายถึงอะไรเอาปฏิสันที่เดือชาติส่งข้อเข้าในขันสองนะชาติเนี่ขันสองมีอะไรอะ่ะมัชิมะโทชาติที่ส่งข้อเข้าในขันสองใช่ไหมสังขาระขันกับขันอะไรดีกับรูปละขันได้ไหมเพิ่งเห็นว่ามาในขันที่เป็นที่ตั้งแห่งปฏิสันที่ใช่ไหมพวกขัาประเส ย, ยิากาศัตว์จนออกจากคันมันดาในขณะปฏิสันที่อย่างเดียว ถ้าพิจารณาอย่างนี้ความปรากฏขึ้นของขันเหล่านั้นเรียกว่าชาติเพราะเหตุไรชาติจึงเป็นทุกข์ถ้าถามอย่างนี้นะความที่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เป็นอันมากนั่นเองท่านจึงเรียกว่าทุกข์ทุกข์มีหลายอย่างใช่ไหมลองไล่ดูทุกข์ค่ทุกข์วิปริณามะทุกข์สังขาระทุกข์ปฏิฉันณทุกข์อภิฉันณทุกข์ปริยายทุกข์แล้วก็นิปริยายทุกข์ในบรรดาทุกข์เหล่านั้นทุกขเวทนาทางกายและทางใจเรียกว่าอะไร ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายและทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางใจเรียกว่าเรียกว่าทุกขทุกนี่ก็เรียกว่าทุกยกกําลังสองกายก็เป็นทุกใจก็เป็นทุกเอาอย่างยกเอาไม้ตีหัวเนี่ยกายเป็นทุกไหมใจก็เป็นทุกด้วยใช่ไหมถ้าปุถุชนนะไปตีหัวปุถุชนเนี่ยทุกเลยหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บบางทีก็ยังเป็นเลยประการต่อมาก็คือว่าสุขเวทนานี่เป็นทุกไหม เรียกว่าวิปริณามทุกเพราะเกิดการแปลปรวนนั่นเองฉนั้นจึงเรียกว่าวิปริณามทุกข์อุเบขาวเวทนาเป็นอะไรอุเบขาวเวทนาและสังขารที่เป็นไปในภูมิทั้งสามอุเบขาวเวทนาและสังขารที่เป็นไปในกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิเรียกว่าเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าสังขารและทุกขนี่ทุกประจําสังขารเป็นอย่างนี้นี่แต่าถามท่านท้าวนี่สบายเลยนั่งยิ้มเลยว่าท้องไม่หมดแล้วก ก, กันนั่นเอง เพราะถุกเกิดขึ้นและความเสื่อมไปน่ะบีบคั้นนั่นเองจึงเรียกว่าเป็นทุกข์ประจําสังขารความเจ็บปวดทางกายและทางใจเป็นต้นนะเช่นว่าปวดหูปวดฟันความเร่าร้อนนั้นเกิดจากราคะโทสะโมหะและความรุ่นร้อนนั้นเกิดแต่โทสะเป็นต้นอันนี้เรียกว่าอะไรปฏิชนน่ะทุกข์คาว่าปฏิปฏิชนนะทุกข์นี่ก็แปลว่าอะไรเนะี่ยต้องถามจึงรู้นะเพราะการกระทําไม่ปรากฏ ต้องถามถึงจะรู้อย่างเช่นว่าโทสะเกิดเนี่ยนะเป็นทุกข์นะราคะเกิดในใจเนี่ยเป็นทุกข์มั้ยบางทีก็ปวดหูก็มีใช่ไหมบางทีก็เกี่ยวกับในเรื่องของการที่บอกว่าปวดฟันอย่างเงี้ยนะปวดหูปวดฟันมีราคะมีโทสะมีโมหะเกิดขึ้นในขณะนั้นเชื่อว่าเป็นทุกข์แล้วเป็นปฏิจจานั่นอันนี้ทาไม่ถามไม่รู้หรอกบางคนก็บอกแมมเมื่อวานเมื่อคืนนี่เครียดสแสดงก็อย่างงี้ถึงรู้นะถ้าบอกก็ถึงรู้ว่าเป็นทุกข์ ถ้าไม่บอกไม่รู้เลยยังปวดฟันเนี่ยดูไงก็ไม่ออกนะใช่ไหมดูไม่รู้หรอกเพราะมันอยู่มันไม่มันไม่ได้เป็นเป็นแผลออกมาที่ไหนเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกปฏิฉันนะทุกส่วนการที่ถูกลงอัจฉย ก, กรรมเออการถูกลงกรรมกรเนี่ยนะนะกรรมกรมีทั้งหมดเท่าไหร่สามสิบสองอย่างสามสิบสองอย่างในมัชชิมโทก็มีในเทวทูตสูตรเคยบรรยายไปแล้วก็มี ยกตัวอย่างนะใช้เหล็กแหลมแทงจากหูข้างขวาทะลุหูซ้ายแทงจากปากทะลุทวารหนักเนี่ยนะหรือว่าเอาเอาน้ํามันลาดตามตามตัวแล้วก็จุดไฟอย่างเงี้ยหรือว่าเอาเบ็ดเกี่ยวเบ็ดใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปเกี่ยวแล้วก็ตกให้ขาดเป็นชิ้ น, นๆอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเป็นการลงอัจฉรยกรรมลงกรรมกรเป็นสมุติอย่างนี้เรียกอปภิฉันนทุกเพราะไม่ต้องถามก็รู้ ทุกประเภทอย่างนี้โดนทุบโดนตีโดนอะไรเนี่ยไม่ต้องถามก็รู้เพราะการเพราะถูกกระทําให้ปรากฏเว้นทุกกระทุกเสียทุกที่เหลือมีชาติเป็นต้นมาในสัจจะวิพังเนืทุกทั้งหมดมีชาติเป็นต้นชื่อว่าปริยายะทุกข์เพราะความเป็นวัตถุแห่งทุกขนั้นส่วนทุกกระทุกเรียกว่านิพปริยายทุกในบรรดาทุกเหล่านั้นชาตินี้จัดว่าเป็นทุก์เพราะความเป็นที่ตั้งแห่งทุกอันมีในอบายก็ได้ พระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศไว้ในพระสูตรหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นในพานนปันติสูตรหรือเทวทูตสูตรเป็นต้นเนะี่นะในโบราณอาจารย์ท่านบอกว่าหากสัตว์ไม่พึงเกิดในนรกแล้วสายละไซก็ไม่พึงได้ทุกข์หลือทนมีการเผาด้วยไฟเป็นต้นในนรกนั้นถ้าได้ทุกจะพึงได้มีที่ตั้งที่ไหนเราเพราะว่าถ้าไม่เกิดความทุกจะพึงได้ที่ตั้งที่ไหนเราเพราะเหตุนั้นแล้วพระมุนีจึงตัดความทุกขในนรกนี้ด้วยวเป็นทุก ในในโลกนี้เป็นทุกข์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกเป็นทุกข์ทุกข์ในพวกสัตว์ดิ拉ฉานเราเห็นยังไงถ้าไปพิจารณาเห็นสัตว์ดิ拉ฉานเนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นทุกข์ไหมถ้าเป็นวัวควายเนี่ยก็เห็นแสเเห็นปะตากหินท่อนไม้เว้นความเกิดในพวกสัตว์ดิ拉ฉานเสียแล้วจะพึงได้อย่างไรเราเพราะเหตุนั้นนะความเกิดเป็นพวกสัตว์ดิ拉ฉานท่านก็เรียกว่าเป็นทุกข์นั้นในขณะที่เรามองพวกกายสัตว์ทั้งหลายอย่าไปยินดีอย่าไปชื่นชมนะ พรจริงๆเนี่ยเขากาลังประสบกับความทุกข์อยู่ทุกข์ในพวกเปรตมากมายไหมความหิวแล้วก็จากแดดเผาเป็นต้นลักษณะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพวกเปรตก็เป็นทุกข์อีกประการหนึ่งพวกอสุรกายในโล ก, การติการนโลกอันมืดมิดเย็นเหลือทนเย็นจนทนไม่ไหวหาความเกิดในโลกติการตับมารกไม่มีเพราว่าทุกข์นั้นก็ไม่พึงจะมีท่านในโลกโลการติการนรกเนี่ยนะ โลกาติกาณโลกนี่เขาโลกที่มืดมากวันก่อนเคยดูในสารคาดีนะเขาบอกสัตว์ที่มันอยู่ในถ้าเนี่ยลึกที่สุดเนี่ยมันไม่เห็นแสงอะไรเลยพวกนี้ตาบอดหมดแล้วว่างั้นมันก็อาศัยจะตาบอดเลยจับอะไรอะไรกระทบมันพอกินได้มันก็กัดกินไปหมดที่ในโลกาติกาโลกาติกาณโลกเนะี่ยมันยิ่งกว่านั้นอสุรกายก็อยู่กันฉะนั้นทุกนั้นนะนะถ้าประพิจารณาอย่างนี้ย ลักษณะอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าชาติทุกทุกในการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะลักษณะอย่างนั้นจัดว่าเป็นชาติทุกข์แม้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็จัดว่าเป็นที่ตั้งของกองทุกเดังที่ได้กล่าวประการต่อมาคือชรลาชรลามีอยู่สองอย่างสังกตาลักษณะความเก่าแห่งขันที่นับเนื่องอยู่ในพบเดียวกันในสันตติที่รู้กันโดยอาการมีฟันหักหนังเหี่ยวย่นเป็นต้นเหล่านี้นะ ผมงอกเนี่ยอันนี้คือชรลานะชรลานะถ้าผมงอกแล้วยังหาว่าไม่แก่ยังไม่แก่ฟันหักเนี่ยใช่เลยที่นั่งอยู่นี้ใครงอกมากยังเนี่ยยัน <c oughs> เนี่ยตอนนี้ต้องรีบโกนกันไว้มันไม่ใช่งอกงอกเดี๋ผมเด้๋ยแล้วจะขนตามตัวมันเริ่มงอกแล้วต้องรีบเอามีดโกนโกนออกโกนออ ก, อกแท้จริงมันมันแก่แล้วเนี่ยทุกชะลานั้นชื่อว่าทุกเพราะเป็นสังขารและทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งทุกด้วย ทุกมันเป็นไปทางกายและทางใจมีปัจจัยเป็นนั้นมากเป็นต้นว่าความหย่อนยานแห่งอวัยวะน้อยใหญ่ความพิการแห่งอินทรีย์จากขุนศีโศตินศีคาณินทรียชิวหินรียกายยินทรีย์มณินศีนะมันมันหย่อนยานหมดนลยนะความพิการเนี่ยนะให้พิการตาพิการหูพิการจมูกพิการลิ้นพิการกายพิการใจพิการอะไรน่ากลัวที่สุดนะพิการอะไรน่ากลัวที่สุด สัตว์ทั้งหลายถ้าพิการกายแล้วอยู่ได้ไม่นะสังเกตดูดิเคยเห็นปลาไหมตาพิการหูพิการลิ้นพิการมีอย่งพยายามก็เสือกกระสนกินเลยนอแต่ลิ้นมันไม่พิการนะลิ้นโดยมากคุณเกตนะสัตว์ทั้งหลายถ้าลิ้นพิการเนี่ยตายหมดเลยนะกายพิการกายพิการบางส่วนเนี่กายพิการไปไม่ไหวแต่ลิ้นก็ไม่พิการก็ลองสังเกตดูดิ ถ้ากายพิการนี่แปลว่าเป็นนามาภาสใช่ไหมแต่ลิ้นไม่พิการเนะี่ยคนที่เป็นนามาภาสยังกินข้าวได้ไหมกินได้ใช่ไหมนอนแต่หากลิ้นพิการก็ตายทุกตัวเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่คือชรลานะความความเป็นผู้ที่รูปร่างผิดไปความเป็นผู้ที่มีผิวมีรูปร่างผิดไปเนะี่ยความเป็นหนุ่มเป็นสาวหายไปความเพียนก็ตกไปความจําและความคิดก็เสื่อม เป็นที่ดูแคลนของคนอื่นเกิดขึ้นชรลาเป็นที่ตั้งของความทุกข์้วยเหตุนั้นเพราะเวลานอาจารย์จึงบอกว่าสัตว์ที่มีอันจะพึงตายเป็นสภาพได้รับทุกข์ทางกายและทางใจอันใดเพราะความหยอ่อนยานแห่งอวัยวะและความพิการแห่งอินทรีย์ทั้งหลายเพราะความเป็นไปแห่งความเป็นหนุ่มสาวความถอยกําลังความจากไปแห่งความทรงจําเป็นต้นเพราะลูกเมียของตนก็ไม่พึงไม่พึงใจไม่ดีใจว่างั้นเถอะ คนที่มีลูกมีเมียนะคนที่มีสามีก็เหมือนกันถ้าตนเองเกิดแก่พิการนอนเสร้าอยู่เนี่ยนะเขาไม่ใช่ดีใจนะที่เขามาปนนิบัติเราเนี่ยเขาดีใจไหมเขาว่าโอ้ยดีใจเหลือเกินที่ที่คุณเป็นแบบนี้จะได้ดูแลเต็มที่อุ้มขึ้นอุ้มลงเลยดีไหมไม่ชลาไม่ดีเลยเพราะเหตุนั้นแหละความอ่อนแอยิ่งพอทุกทั้งหมดนั้นล้วนมีชลาเป็นเหตุ ฉะนั้นชลาจึงจัดว่าเป็นทุกข์เนี่ยลักษณะอย่างนี้ท่านนึกบอกว่าไอตัวชราเนี่ยเป็นทุกข์ด้วยประการอย่างนี้ก็ไปทําให้พิสดารต่อไปนะจะได้เบื่อหน่ายความชลาเกิดขึ้นบางคนรีบไปหากินยาอย่างพญาทีเนี่เป็นทุกข์พญาที่มีมาเนมในบาลีไหมมีทุกข์ัดสัจจานิเทศในสัจจะวิพังข้พระกรณ์เนี่ยนะนะในคำพีวิสุทธิมาร์กท่านก็กล่าวกันไว้ ในโลบาลีธรรมจักรกับวัฒนาสูตรท่านพิจารณาเหตุในการกล่าวนะีในการกล่าวและก็ในการกล่าวในที่อื่นนั้นพยาธิเนี่ยก็จะตัวเป็นทุกข์ในตัวมันเองอยู่แล้วนี่เป็นงนี้นะประการต่อไปก็คือมรณะก็เป็นทุกข์มรณะมีสองอย่างนะีสังคตะลักษณะท่านหมายเข้าความว่าชาราเริ่มมรณะส่งข้อเข้าในขันสองความขาดแห่งความติดต่อของชีวิตตินทรีย์ที่นับเนื่องอยู่ในภพหนึ่งหนึ่งอันนี้คืออะไร ชีวิตตินทย ป, ปทัจเฉทามรณะอันนี้ตายตายระหว่างพบหนึ่งต่อพบหนึ่งนะคือความขาดไงเช่นความขาดของชีวิตตรูปและชีวิตตินสเสียนะชีวิตตนามเนี่ยนะชีวิตตรูปกับชีวิตตนามเนี่ยนะเวลาขาดไปเนี่ยของพบหนึ่งหนึ่งเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกคนคนนั้นตายแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามรณะพระผู้มีพระเจ้าจตรัสไว้ว่าความกลัวตายมีอยู่เป็นนิส มรณะคือความขาดซึ่งชีวิตตนรีนั้นท่านประสงค์เอาในที่นี้ฉะนั้นคำว่าตายเนี่ยคำว่ามรณะนี่ท่านนับเอาว่าความขาดไปของรูปประชีวิตและนามชีวิตชาติปัจจยะมรณะคือความตายเพราะมีความเกิดเป็นปัจจัยอุปักกมะมรณะความตายเพราะการกระทาสระสะมรณะความตายในสภาพอายุขยะมรณะความตายเพราะสิ้นอายุ บุญยักขยะมรณะความตายพ่าสิ้นบุญเนี่ยก็เป็นชื่อของมรณะคือความขาดของชีวิตนั่นเหมือนกันตายพ่าสิ้นบุญอตายว่าสิ้นบุญคืองไงบางคนทํากุศลก็ไว้ใช่ไหมทำกุศลก็ไว้ว่าไอ้กุศลนั้นจะส่งให้ตนเองนั้นมีอายุ 50-60 ปีเป็นต้นพอหมดบุญนั้นก็ตายเนี่ยเขาจะตายพ่าสิ้นบุญตายพ่าสิ้นอายุหมายถึงสิ้นอายุไข เช่นในปัจจุบันนี้มี75ปีเป็นอายุไขัยพอครบ75แล้วตายเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตายเพราะสิ้นอายุนี่เป็นอย่างนี้นะียบางกลุ่มก็ตายเพราะอุบัติเหตุตายเพราะถูกกระทําต่างๆเลยเนี้ยโดยสรุปก็คือความขาดไปของรูปประชีวิตและนามาชีวิตนั่นเองนั้นความตายหรือมรณะนี้พึงทราบว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงกล่าว บ, บอกว่าทุกข์ทางใจอันใด มีขึ้นไม่ต่างกันแก่คนที่กําลังจะตายซึ่งเป็นคนชั่วนะเห็นนิมิตมีกรร ม, มนิมิตคตินิมิตแล้วก็กรร ม, มอารมณ์กรรมนิมิตหรือคตินิมิตเป็นต้นน่ยฝ่ายบาปเป็นต้นเน่ยคนชั่วทั้งหลายเวลาจะตายเนะี่ยพวกกรร ม, มนิมิตก็จะปรากฏใช่ไหมเข้าทุกไหมทุกไหมอ่ะเวลามีกรร ม, มนิมิตฝ่ายชั่วมาปรากฏใกล้จะตายแล้วเนะี่ยมีภาพดีตนเองกําลังฆ่าสัตว์ลากทรัพย์หรือภาพ ของการถูกเข็นฆ่าหรือถูกกําลังจะกระทําร้ายเป็นต้นเนี่ยมาปรากฏเนี่ยกลัวไหมอา้าวในบรรดาคนดีเลยแต่เนี้ยในบรรดาคนดีทั้งหลายอะ่ะพอเห็นนิมิตมาปรากฏเป็นข้อบ่องบอกว่าตนเองจะพัดพลากจากสิ่งที่อันเป็นที่รักแล้วกลัวไหมก็กลัวอีกไม่ว่าคนตายหรือคนดีหรือคนชั่วล้วนแต่กลัวความตายกันทั้งนั้นเลยท่านทํานั่งอยู่นี่กลัวไหมเนี่ยกลัวตายไม่ถามจริง ไอ้ที่บวชมาเนี่ยทําไมถึงกลัวตายรู้ป่ะเพราะเรายังไม่สามารถตัดกิเลสได้ตอนนี้ใช่ไหมมันยังกลัวตายเพราะยังมีคติที่ไม่แน่นอนถ้าท่านทัพเป็นพผ้านาคาจะกลัวตายไหมไม่กลัวแล้วนี่มันยังไม่ได้อะถ้าผ้าละหันเนี่นะสังเกตดไูไมผ้าละหันเนี่ยท่านไม่กลัวตายเลยฉะนั้นความตายของท่านจึงเนี่ยท่านหมดทุกเรือและไม่เอามาเป็นมรณาทุสติด้วย ความขาดไอ้ความตายของพระราหันทั้งหลายที่เขาเรียกว่าสมุทเฉทมรณะเนี่ยเพราะว่าพระราหารันท่านปรารถนาการตายปรารถนานิพพานเนี่ยท่านเบื่อแม้จะมีการยืนเดินนั่งนอนที่จะต้องหล่อเลี้ยงชีวิตตินเสียงตนเองเลยนะมันเป็นทุ ก, ท, กทุกขณะในใจของท่านเลยท่านเห็นว่าม้มันมันทุกมันน่าเอือมละอามางบดุดดังซากงูอ่ะดังซากสุนัขหว่างั้นเด้อ เห็นร่างกายตัเองเนี่ยมันเหมือนกับซากงูซากสุนัขนี่ไหม ม, มันมันเอื้มอมละอาเต็มทนเลยนะทับเนะใช่ไหมเบื่อที่จะต้องมาบริหารในการยืนการเดินการนั่งการนอนการโคการเหยียดนี่อุ้นะเบื่อมากลักษณะอย่างที่ท่านยังเห็นว่าความตายน่าพ้นจริงๆและท่านตายแล้วท่านไม่ต้องมาตายอีกอย่างเราเนี่ยจะตายแล้วไม่รู้จะตายอีกเท่าไหร่ไม่ ร, มรู้เขาเรียกว่าตายไม่มีวันจบวันสิ้นนี่ไหมลําบากเคื อ, คอ ทุกทางกายอันใดซึ่งมีข้อและก็มีเส้นเ e อ็นขาดเป็นต้นมีขึ้นแก่ทุกคนผู้ที่มีตำแหน่งสำคัญของร่างกายถูกรมร้ายแทงเอาทุกนี้เป็นทุกข์ที่คนทนไม่ไหวแม้ไขก็ไม่ไดแ้แก้ไขก็ไม่ได้เพราะมารณะนั้นเป็นที่ตัองอ้งแห่งทุกข์เพราะเหตุนั้นแหละมรณะนี้พระผู้มีภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นทุกข์ก็ในที่นี้นะ ประการต่อมาคือโสกาปริเทวทุกขาโทมานต์และอุปายาจัดว่าเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นทุกข์นั้นมาในทุกขสัจจนิเทศในวิพังพกระปกรเน่ยนะประการต่อมาก็คืออภิเยสัมปโยคะทุกการรวมเข้ากับสัตว์และสังขารทั้งหลายที่ไม่ชอบใจอัปิยะสัมปโยคะนี่นะอปิยะสัมปโยคะนั้นชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เพราะได้เห็นคนอันไม่เป็นที่รักทั้งหลาย ได้มีทุกข์เกิดขึ้นในใจทีแรกเวลาเราเห็นคนที่เราไม่ชอบใจเนี่ยทีแรกเกิดขึ้นในใจตอนนั้นเป็นอะไรฉันว่าเคยเกิดกันทั้งนั้นเที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยเวลาเห็นหน้าคนนี้ปุ๊บแล้วมันไม่ชอบใจอะ่ะมันเลยขัดเคืองขึ้นมา น, นี่เป็นทุกข์ที่แรกนะต่อไปก็มีทุกข์อันเกิดแต่การเข้าไปทำร้ายเขาขึ้นทางกายในโลกนี้บางกลุ่มทนไม่ไหวเลยนะว่าเห็นแล้วต้องไปทาร้ายนะ ลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะ่ะเพราะเหตุนั้นการพบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักนั้นพึงทราบว่าพระผู้สแสวงหาคุณนั้นใหญ่ได้ตัดตัวเป็นทุกข์เพราะความเป็นที่ตั้งอย่างทุกข์สองอย่างนั้นเป็นที่ตั้งทุกข์สองอย่างคือหนึ่งทุกข์จากการเห็นครั้งแรกทุกข์ประการต่อมาคือหาวิธีแกล้งเขาเป็นทุกข์งเนี้ย น, นะเคยเป็นไหมสมัยเป็นเด็กนักเรียนนะมันใส่คนก็เพื่อนก็ทําให้ดูแล้วก็ดูแล้วเราก็ไม่ห้ามได้นะ เวลานักเรียนอีกคนหนึ่งเขาเขาหลังเกียรตเราเนี่ยนะเขาก็แกลงวิธีแกล้งก็คือเวลาเขาตั่งกับเก้าอี้ก็เอาเอาเชือกไปมัดมัดหูกางเกงก็มัดติดกับเก้าอี้อะไรเงี้ยพอเพื่อลุกขึ้นมาแล้วไงดีใจเพราะเขาไอา้ได้ดีใจลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นคนที่ไม่เป็นที่รักเขามันเกิดทุกข์ในใจกันส่วนในคําว่าปียะวิปโยคาทุกเนี่ยมีอธิบายว่า ความแพศภาคจากสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่พอใจชื่อว่าเป็นวิประโยชน์ ว, ว, วิปิยาวิปโยคปิยาวิปโยคในเชื่อเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์มีความโศกเป็นต้น น, นะนะคนเขาทั้งหลายผู้เพียบไปด้วยลูกศรคือความโศกคนที่โศกบ่อยๆก็ เ, เรียกคนเขาหรือคนฉลาดคนเขาเพราะอะไรเพราะมีลูกศรลูกศรนเนี่ยเป็นชื่อถึงความโศกนะถูกลูกศรปักเอาด้วย พ ร, พระดพลาคจากสังขารที่ที่รักและมีญาติทรัพย์สมบัติเป็นต้นย่อมเจ็บปวดเพราะเหตุที่มีปียาวิปโยคพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นทุกข์บางทีไม่ใช่ไม่ใช่จากกับบุคคลนะจากกับสังขารเช่นเราจะจากบ้านเนี่ยบางคนคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านเนี่ยโดยลูกศรปักเอาซิกแล้วเป็นทุกข์เออยู่วัดนี่ติดวัดกันว้างห้อ เวลาออกจากวัดแล้วมันไปอีกวัดหนึ่งแล้วมันคิดถึงวัดแล้วโศกเศร้าเนี่ยเป็นไหมท่านท้าคิดถึงวัดที่บ้านบ้างไหมไม่ก็ได้คิดนะแสดงไม่โศกนะเอะต่าอย่างนี้ก็ไม่มีวิปโยคหรือบางคนบอกไอ้บ้านนะไม่ค่อยคิดหรอกแต่คิดถึงคนในบ้านเน่ยเขาบองั้นหนึ่งเฮ้ออะไรกูสรุปเลยหกปรารถนาสิ่งใดไม่ได้เนี่ยมีอธิบายว่าความปรารถนาสิ่งที่ไม่มีทางที่จะได้เช่นโอ๋น้อเราทั้งหลายจักเป็นผู้ มีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นต้นจากไม่เป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาถ้าปราถนาอะไรเงี้ย filler, ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เกิดเลยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ตายเลยขอข้าพเจ้าอย่าได้แก่เลยขอข้าพเจ้าอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยเลยเนี่ยไอ้ปรารถนาอย่างเนี้ย <st> ได้ไหมไม่ได้แล้วเป็นโทษไหมมัน <t> <Oğlum> เป็นโทษมันเป็นอย่างนี้ปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นน่ะแต่โดยมากเราไม่ค่อยคิดในเรื่องเหล่านี้นะเรามักจะไปปรารถนาเงินเงินทองทเลย แต่สิ่งที่ปรารถนายากที่สุดออไม่ได้เลยเนะีนะ่ยคือปรารถนาขออยากเกิดเราตั้งอัตยาัยกันไหมขออยากเกิดแต่เราสร้างเหตุของการเกิดเรื่อยๆจะเกิดไหมเนี่ยนี่ลักษณะอย่างเนี้ยทุกอันประกอบด้วยความสุขอันเกิดจากสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะเขาทั้งหลายปรารถนาสิ่งนั้นอยู่แต่ไม่ได้ความปรารถนาในทางทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งทุกนั้นพระชินนะจึงตรัสถึงความไม่ได้สิ่งที่น่าปรารถนาว่าเป็นทุกข์ ประการต่อไปก็คือวิธีฉัยในเรื่องของอุปาทานขันห้าเป็นทุกเน่ยเพราะเหตุที่ทุกธรรมทั้งหลายมีชาติทุกขชราทุกมรณะทุกเป็นต้นน่ยซึ่งเบียดเบียนอุปาทานขันห้านั่นเองโดยประการต่างๆเหมือนไฟเบียดเบียนเชือเหมือนการประหารเบียดเบียนเป้าเหมือนแมลงทั้งหลายเบียดเบียนเหลือบและยุงเป็นต้นเหมือนยุงและเหลือบทั้งหลายเบียดเบียนโคเนี่ยนะเหมือนคนเกี่ยวข้าวทั้งหลายเบียดเบียนนาเนี่ยนะ เหมือนคนปล้นบ้านทั้งหลายเบียดเบียนหมู่บ้านก็เกิดขึ้นที่ขันห้านี่เองเหมือนหญ้าและไม้เถาเป็นต้นเกิดที่พื้นดินเหมือนอะไรเหมือนดอกและผลและเหมือนหนอ่อเกิดที่ต้นไม้ทั้งหลายชั้นนั้นทุกเบื้องต้นแห่งอุปาทานขันห้าทั้งหลายก็คือชาติทุกท่ามกลางของขันห้าคืออะไรทุกของขันห้าเบื้องต้นคือชาติคือการเกิดใช่ไหมถ้าท่ามกลางก็ได้แก่ชรลาทุกสุดท้ายก็คือ มรณะฉะนั้นชาติชารามารณะนี่เป็นเบื้องต้นท่ามกลางและก็เป็นสุดท้ายของของขันห้าทุกคือความไม่สมปรารถนาของบุคคลทั้งหลายผู้ได้รับความผิดหวังเนี่ยเป็นอิจิตาราภะซึ่งแปลว่าไม่ได้สมปรารถนานะอุปาทานขันห้าทั้งหลายที่บุคคลเข้าไปพิจารณาอยู่โดยประการต่างๆด้วยประการดังกล่าวมานี้นั่นแลล้วนแต่เป็นทุกข ถ้าเราไม่มีขันห้าเนี่ยเราก็ไม่มีความปรารถนาใช่ไหมถ้าไม่มีขันห้าจะมีความผิดหวังไหมฉะนั้นไอความผิดหวังมีเพราะมีขันห้าฉะนั้นเราต้องดับขันห้าได้จะได้ไม่ต้องผิดหวังอีกต่อไปวันใดน้ําตาเราไหลวันนั้นแสดงเพราะโทษอันนี้นะโทษของการมีขันว่างั้นวันไหนที่ปวดหัวก็บ่นบ่อยๆก็แล้วกันนี้เลยนะโทษของการมีขันห้าเวลาฝนตกมันเปียกมันหนาวก็บอกนี่เลยมันขันห้าใช่ไหม เวลาเป็นหวัดเป็นอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยไอ้ขันห้ามันเป็นอย่างนี้ก็บนไปเรื่อยๆนะบ่นเสร็จแล้วก็เพลิดเพลินต่อไปอันนี้ไม่ได้นะต้องจิตน้อมออกจากสิ่งเหล่านะั้นในที่นี้ได้ดังกล่าวนะไม่อาจที่จะพูดให้สิ้นกระบวนความได้โดยประการอย่างว่าหมายพุทธเจ้าจึงตัดโดยย่อว่าอุปาทานขันห้าเป็นทุกทุกทั้งหมดนั้นย่นย่ อ, ยอลงในอุปาทานขันห้าทุกซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ชาติเนี่ยนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้แล้วเนี่ย ทุกอันใดที่ไม่ได้ตัดไว้ทุกอันนั้นทั้งหมดล้วนเว้นอุปาทานกันห้าเสียย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นโดยย่อ อ, อุปาทานการห้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณนั้นยิ่งใหญ่ทรงแสดงที่สุดแห่งทุกข์จึงตรัสว่าเป็นทุกเนี่นี่ยังตรัสว่าเป็นทุก์นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้โดยสรุปก็คือว่าทุกเนี่ยดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายอริยสัจจะได้แก่อะไร ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายความโศกความร่ำไรความปันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นต้นเนการได้รับอารมณ์ที่น่าปรารถนาโดยสังเกตอุปาทานกานห้าเป็นอันนี้ได้กล่าวไปแล้วนะในเรื่องของทุกขสัจจะประการต่อไปพูดในเรื่องอะไรทุกขสมุทัยอริยสัจใช่ไหม ทุกขสมุทยาาัยยะอริยสัจอีท้งโคปนาภิกเเวทุกขสมุทโยาอาริยสัจจังเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาริยสัจอยากคือทุกขสมุทัยได้แก่ความทยานอยากที่ก่อให้เกิดในพบใหม่ประกอบด้วยความพอใจเพลิดเพลินในพบด้วยอารมณ์กล่าวคือทยานอยากในกามาคุณอารมณ์ทยานอยากที่มีความเห็นผิดต่าเที่ยงและความทยานอยากที่มีความเห็นผิดว่าขาดศูนย์เป็นต้นในบทนี้เนี่ เพื่อจะแสดงสมุทยรยศสัจจะเนี่ยการประชุมกันเนี่ยนะก็เป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกขเหตุนั้นท่านเรียกว่าทุกขสมุทรไทยเพราะมีการประกอบเข้าไปนะเพราะเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกเนะ่มาจากคำว่ายาอย่างตันหาตัดบทวายาอย่างตันหาตันหานีไใดโพโนภวิกาการก่อให้เกิดพบใหม่ การก่อให้เกิดพบใหม่เนี่ยชื่อว่าปุณณพวะปุณณพวะนะด้วยการลบบทเบื้องปลายเนี่ยการก่อให้เกิดพบใหม่เป็นปกติของตันหาด้วยเหตุนั้นตันหาจึงชื่อว่าโปโนภวิกามีการก่อพบใหม่เป็นปกติอีกความหมายหนึ่งตันหามีชื่อว่านันทิราคะสหาการเพราะไม่ได้บอกคืนความเป็นนันทิราคะเป็นอยู่ในกิริยาทั้งปวงเนี่ย เพิดเพินและก็กำหนัดอยู่ตตระตัตราพิณันทีนีก็อัตภาพเกิดอยู่ในอารมณ์ใดๆก็เพิดเพลินในอารมณ์นั้นนั้นบอกตัณหาเนี่ยเวลาเกิดในอารมณ์ใดเพิดเพลินในอารมณ์นั้นไหมเพิดเพินในอารมณ์นั้นไสยอาทิทางนี้เป็นนิบาดนะตัณหานั้นเป็นฉไนคือตัณหาหกโดยประเภทแห่งรูปะรูปะตัณหาสัทธาตัณหาคันธาตัณหาราตตตัณหาโหธภะพัตตัณหา ท่านกล่าวไว้สามอย่างด้วยอํานาจแห่งการมตั์หาภว่ตัณหาและวิธีนี่นะวิธีคิดเนี่ยว่าเราจะเข้าใจว่าเป็นการมัตต์นหาเป็นภราว่ตัณหาเป็นวิภวตัณหาอย่างไรนีวิธีคิดก็คือว่าถ้ารูรูปหรือรูปอารมณ์รูปตัณหานั่นแหละเมื่อใดยินดีรูปารมณ์รูปารมณ์นั้นเข้ามาสู่คลองของทวารตาคือจักรสูแล้วเนี่ยด้วยอำนาจความยินดีพอใจในการเป็นไปเนี่ยเมื่อนั้นเป็นการมตั์หา และเมื่อใดเนี่ยเป็นไปกับสัตตสตาทิฏฐิเห็นว่าเที่ยงอันเป็นไปในอารมณ์ว่าเที่ยงยั่งยืนเมื่อนั้นเน่ยเป็นภาวะตัณหาและส่วนราคะที่สหรคตด้วยสหรคตด้วยอะไรสัตตสตาทิฐิท่าเรียกว่าภาวะตัณหาเมื่อใดเกิดร่วมกันกับอุเฉทาทิฐิที่เป็นไปว่าอารมณ์นั้นขาดศูนย์พินาศไปเมื่อนั้นก็เป็นวิภวะตัณหาและราคะทีส่สหรคตกับอุเฉทาทิฐิท่านจึงเรียกว่า วิภาวะตัณหาแล้วก็ว่าไปเรื่อยๆในนี้ยสัทธาตัณหาถึงมะศัทธาตัณหาเป็นยังไงสัทธาตัณหาเนี่ยก็ศรัทธาตัณหานั้นแหละเมื่อใดยินดีในศัทธารมซึ่งมาสู่ครองของโสตด้วยอํานาจแห่งความยินดีพอใจในการเป็นไปเมื่อนั้นชื่อว่ากามตัณหาเมื่อใดเป็นไปกับสัตตาทิฏฐิอันเป็นอันว่า สัทธารมณ์นี้แหลเที่ยงยั่งยืนเมื่อนั้นชื่อว่าภวะตัณหาส่วนราคาที่สราสรคตกอัเฉตทิฐิเรียกว่าภวะตัณหาเมื่อใดเกิดร่วมกับอุเฉตทิฐิที่เป็นไปว่าสัทธารมณ์นี้แหละขาดศูญย์พินาศไ ป, เ, ปเมื่อนั้นชื่อว่าเป็นวิภาวะตัณหาราคาที่สราสรคดกอุเฉตทิฏฐิท่านเรียกว่าวิภวะตัณหาค่อยๆไล่ไปอย่างนี้ ไล่ไปได้ไหมอันนี้ไล่เป็นตัวอย่างสองอย่างแล้วนะรูรูปตันหากับสัตว์ท่านหาเพราะบอกคันท่าตันหาท ah ี่บอกไล่ไปถูกแต่แล้วแต่เดียเอาว่าคันท่าตันหาหน่อยสิคันทาตันหาคือยินดีพอใจในกลิ่นใช่ไหมว่าไงคันทาตันหานั่นแหละเมื่อใดเกิดความยินดีพอใจในกลิ่นซึ่งมาสู่คลองของคานาประสาท ด้วยอำนาจถึงความยินดีพอใจในกามเป็นไปเมื่อ น, นั้นชื่อว่ากามะตัญหาเมื่อใดเป็นไปกับสัตตสตาทิฏฐิอันเป็นไปว่าคันธารณ์นั่นแหลเที่ยงยั่งยืนเมื่อ น, นั้นชื่อว่าภาวะตัญหาราคะที่สหลคตกับสัตตสตาถถทิฏฐิท่านเรียกว่าภวะตัญหาเมื่อใด เมื่อใดก็เมื่อใดเป็นไปกับอุเฉททิฐิที่เป็นไปว่าคันธารมนั่นแลขาดศูนย์พินาศไปเมื่อนั้นชื่อว่ า, <ภ>าวิปภาวาทะตันห์ราค่าที่สระคตกับอุเฉททิฏฐิเรียกว่าเ<ภ>นี่ยลักษณะของคันธารมเป็นคันธตันหาก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้สาคูณหเท่าไหร่สิเนี่ยตันหาสิบป เพราะเหตุไรตัณหาจึงเรียกอริยสัจนี่ตั้งประเด็นคำถามตรงนี้หน่อยทำไมตัณหาจึงเรียกอริยสัจเพราะเป็นเหตุพิเศษตัณหาเนี่เป็นเหตุพิเศษอวิชชาเมื่อปกปิดโทษในภพทั้งหลายอุปาทานมีทิฏฐิเป็นต้นนะย่อมยังตัณหาที่ยึดมั่นอยู่ในภพนั้นๆให้เจริญแม้บาปประทมทั้งหลายมีโทษสาเป็นต้นก็เป็นเหตุแห่งกรรมเนื้อส่วนตัณหารปรารถนายิ่งซึ่งมี ซึ่งเป็นธรรมชาติทวิจิตมีพบนั้นๆกําเนิดนั้นๆและคตินั้นๆวิญญาณทีตินั้นๆตลอดถึงสัตวาวาทนั้นนสัตตานิกายนั้นๆตระกูลนั้นๆโพค่านั้นๆและก็อิสริยนั้นๆน่ะและก็เข้าถึงเป็นอุปนิสัยเป็นธรรมชาติทวิจิตแห่งกรรมเห็นไหมตัณหาเป็นเป็นเป็นเหตุแห่งกรรมด้วยและความเป็นสหายแห่งกรรมมีตัณหาเป็นเพื่อนสอง่ะย่อมกําหนดเป็นธรรมชาติอันวิจิต มีพบเป็นต้นเพราะเหตุนั้นพึงทราบว่าแม้อวิชาอุปาทานและกรรมเป็นต้นเหล่านี้เชื่อว่าเป็นเหตุไหมเ <_ c oughs> มื่อเหตุแห่งทุกทั้งหลายที่ได้กล่าวในพระสูตรและพระวิธรรมเป็นต้นว่ากิเลสที่เหลืออกุศลมีอยู่ตัณหาเท่านั้นท่านเรียกว่าสมุทัยสัจจะเพราะความเป็นพิเศษแห่งทุกทั้งหลายตัณหาในเป็นเหตุเป็นเหตุพิเศษนะเป็นเหตุพิเศษตัณหาคืออะไร ตัณหาคืออะไรในวิสุทธิมรรคท่านกล่าวเขาไว้ความดิ้นรนคือความอยากโดยจะถือเอาสิ่งที่ตนต้องการนั้นๆลักษณะอย่างนั้นชื่อว่าตัณหาตัณหามาจากเจตสิกตัวไหนตัณหามาจากโลภะเจตสิกตัวเดียวตัวตัณหาเนี่ยนะแต่มาแยกออกเป็นตัณหาหลายประเภท ในธรรมสังคนีปรกรณ์ก็แบ่งเป็นกาลมตัญหาภาวตัญหาวิภาวะตัญหาตัญหาทั้งหลายในบรรดาเหล่านั้นเมื่อจะสืบต้นหาก็คือโลภะเจตสิกนั่นเองถามว่าตัญหามีลักษณะอย่างไรเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าตัญหามีลักษณะอย่างไรที่อธิบายไปสักครู่เนี่ยโพโนภวิกาเนี่ยแปลว่าอะไรทำให้เกิดพบใหม่มีการก่อภบพบใหม่เป็นปกติเป็นไปพร้อมๆด้วยอํานาจแห่งความยินดีด้วย และยินดีอยู่ในพบนั้นๆหรือในอารมณ์นั้นๆนี้คืออะไรบ้างคือการมตัณหาภาวะตัณหาและก็วิภวะตัณหาทั้นตัณหาเนี่ยที่เขาบอกว่ายินดีเนี่ยธรรมชาติทิวจิตเนี่ยในพบในกําเนิดในคติในวิญญาณอธิติในสตาวาสในสตานิกายในตระกูลในโภคะและในอิสริยะน่ยสภาพของตัณหาเนี่ยไปยินดีไปเพลิดเพลินแล้วก็ไปพอใจอย่างนี้ แสดงให้เห็นชัดว่าถ้าไม่ต้องการด้วยสามมัญลักษณะจะเรียกว่าตัณหาไม่ได้เลยทีนี้ปัญหาคือตัณหาอย่างเนี่ยนะดังที่ได้กล่าวบอกว่าถ้าเกิดพร้อมกับสัตตตถิทิเห็นว่าเที่ยงชื่อว่าอะไรนะเชื่อภาวะตัณหาถ้าเกิดพร้อมกับอุเฉทิทิคือเขียนว่าขาดศูนย์เรียกว่าวิภวะตัณหาตัณหาที่เหลือเรียกว่ากามาตัณหาในวิธีคิดเนี่ยนะคําว่าภาวะและวิภาวะเนี่ย ที่ประกอบกันอยู่คําว่าตัณหานั้นเนี่ยดูในบาลีธรรมสังคณีนิดนึงความเห็นผิดอัตตาและโลกจะเกิดต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดนี่เรียกว่าภาวะทิฏฐิความเห็นผิดว่าอัตตาและโลกจกขาดศูญย์เรียกว่าวิภาวะทิฏฐิฉนั้นในธรรมสังคณีท่านยกสัตสตาทิฏฐิและอุเฉตทิฏฐิที่ติดอยู่กับบทว่าสหคตาราโคมาแปลไว้อีกความเห็นผิดว่าอัตตาและโลกเที่ยงเรียกว่าสัตสตาทิฏฐิ ความเห็นผิดว่าอัตตาและโลกขาศูนย์เรียกว่าอุเฉททิตติท่านจะเห็นได้ว่าภาวะทิตติมีความหมายเป็นอย่างเดียวกับคําว่าสัตสตาทิตติวิภาวะทิตติก็มีความหมายเป็นอย่างเดียวกับคำว่าอุเฉททิตติท่านถ้าไปเจอสองคำนี้เราจะได้เข้าใจนี่หมายถึงนักศึกษานะจะได้เข้าใจจะตามเพียงแต่พยัญชนะเท่านั้นเข้าใจอย่างคําว่าภาวะวิภาวะถ้าภาวะทิตติได้แก่ ส, สตราทิฐิวิภวะทิฐิได้แก่อุเฉชธาทิฐิคําว่าราคะกับคําว่าตัณหาเดี๋นี้มาจากโลภะเจตสิกเหมือนกันในบรราเจตสิกห้าสองไงนะพระพุทธเจ้าตัดสมุทญาสัจจะถ้าจะวิเคราะห์ในโลภะมูลจิต8เนี่ยการ ม, มาตันภาวะตัณหากับวิภวะเนี่ยก็อยู่ในจําพวกโลภะมูลจิตเหมือนกันเป็นประเภทที่ประกอบไปด้วยความเห็นผิดคือทิฏฐิขตสัมพยุต ส่วนกาล ม, มาตัญหาเป็นประเภทโลภะเจสิกที่ไม่ประกอบด้วยทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นทิฏฐิขตาวิปยุตตามหลักฐานที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเรื่องของตัญหาเนี่ยมีอัดอันลึกซึ้งมากตัญหาเนี่ยนะจำเป็นต้องอาศัยคำอธิบายในคำภีวิสุทธิมรักแล้วก็ในสัมโมหวิโนธนีถึงจะเข้าใจดีทีนี้กา ม, มาตัญหาหมายเอาตัญหาในกาม ชื่อว่ากามตัญหาคําว่ากามตัญหานี้เป็นชื่อของราคะราคะคือความกําหนัดยินดีพอใจในไหนในกามคุณหคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความยินดีพอใจในพพชื่อว่าภวะตัญหาคําว่าภาวะตัญหานี้เป็นชื่อของนิกการติคือความยินดีในฌานและของราคะคือความยินดีพอใจในรูปภพและรูปภพ ที่เกิดพร้อมกันกับทิฏฐิที่เห็นว่าเที่ยงด้วยอำนาจแห่งการมีพบตั้งขึ้นฉะนั้นความยินดีในวิภวะคือความขาดศูนชื่อว่าวิภวะตันหานี่นะเป็นชื่อของราคาคือความยินดีที่เกิดพร้อมกับทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าขาดศูนย์ตามข้อความดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าภวะตันหานั้นท่านหมายถึงความกำนัดยินดีในรูปประพบและ อ่าลูปภพด้วยซึ่งประกอบด้วยความเห็นผิ ด, ดว่าเที่ยงรวมทั้งความยินดีในฌานด้วยอันนี้นะไปทําความเข้าใจด้วยส่วนวิภวะตันหาหมายถึงราคาคือตันหาที่ประกอบด้วยอุเฉะแทิฏฐิที่เห็นว่าขาดศูนย์ตามใจความดังที่ลงกับบาลีวิพังดังที่กล่าวหากแต่ในที่นี้ท่านขยายความออกไปโดยย่อดเท่านั้นจึงกล่าวว่าการมมัิหาเฉพาะกามมงคลห้า ส่วนสามันในส่วนในคำพิเศษสุดมากนะสมโมหวินโนทนีและปะปัญจสูทนีนั้นนะ่ะตัณหานั้นมีกําลังยินที่กําลังยินดีรูปก็เป็นไปด้วยอํานาจของกาลมาราคะจึงชื่อว่ากามาตัณหาความยินดีว่ารูปยั่งยืนเที่ยงจึงเป็นไปอยู่ด้วยอํานาจจึงราคะที่เกิดขึ้นหนูเห็ น, นว่าเที่ยงยินชื่อว่าภาวะตัณหาตัณหาที่ยินดีว่ารูปขาดศูนพินาศดับไปจักไม่เกิดอีกด้วยอํานาจจึงราคะที่เกิดพร้อมกับทิฏฐิ คือความเห็นผิดว่าขาศูนย์ชื่อว่าวิภาวะตัณหาเนี่ยนะตัณหาทั้งสามอย่างนั้นตามที่ได้กล่าวมาเนี่ยรูปปัตนหาชันใดแม้สัตธาตัณหาเป็นต้นก็อย่างนั้นเหมือนกันตัณหานั้นน่ะแยกออกเป็นสิบแปดอย่างเป็นสิบแปดไหมเอแยกยังไงรูปปัตนหาเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหามีหกใช่ไหมสามหกเลยกลายเป็น สิบอารมณ์ของตัณหาตัณหาที่มีความยินดีพอใจในอารมณ์หด้วยอารมณ์ด้วยความไข่กรรมตัณหาตัณหาที่ยินดีอารมณ์6โดยราคะที่เกิดพร้อมกันความเห็นผิดว่าเที่ยงอันนั้นเป็นเพราะว่าตัณหาเห็นว่าขาดศูนย์ก็เป็นวิภาวะไปคําว่ารูปตัณหายินดีพอใจในรูปนี่ยนะกำลังปรากฏทางตาเป็นไปอยู่ด้วยอำนาจความยินดีพอใจในกรรมนั้นเป็นการมตัณหาดังที่ได้กลา่าวลักษณะอย่างเนี้ย ถ้าตัณหาร้อยแปดนับยังไงตัณหาร้อยแปดนับยังไงตัณหาเหล่านั้นมีจำนวนสิบแปดใช่ไหมตัณหายินดีพอใจในอารมณ์ทั้งหอะรูปปตัตนหามีเท่าไหร่มีหสัทธาตัณหาเออขออภัยรูปปตัตนหามี 3. สามัทธตาตัณหาสามคันทะราษโพธพภะแล้วก็ธรรมะ โรคเสียงกินรสสัมผัสแล้วก็ธรรมาลมอย่างละสามเนี่ยเป็นสิบแปดใช่ไหมในจํานวนสิบแปดนั้นเนะ่ยเป็นอดีตเท่าไหร่มีจํานวนร้อยแปดเพราะเป็นอดีตเสียสามสิบหกอนาคตสามสิหกปัจจุบันสาสหกนับได้ไหมอดีตสามสิบหกเไมอดีตสามหกหรือเปล่าคําว่าอาดีตสามหกแปลว่าอะไรสามหกสิบแปดเราไปสามหกได้ไงอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นเท่าไหร่ เป็นสามสิบหกเนับกันไม่ถูกแล้วนับถูกดูที่จริงคำว่าตัณหาเนี่ยมีภายนอกภายในไหมสิบแปดคูณสองเนี่ยสิบปดบวกสองเป็นเท่าไหร่เป็นสามสิบหกใช่ไหม <x> ตัณหาที่เกิดขึ้นภายในตนเองและบุคคลอื่น <x> ภายนอกใช่ไหมงั้นก็เป็นสามสิบหกแล้วอดีตก็มีปัจจุบันก็มีนะ นั่นแหละจึงเป็นเท่าไรเป็นร้8ยดนะม เ, น108 เ, เมื่อยกเอาอารมณ์ออกเป็นสองทั้งภายในและภายนอกแล้วก็สองไปคูณกับ18บจึงเป็น36แล้วก็แยกเป็นอดีต36อนาคต36แล้วก็ปัจจุบัน36ฉะนั้นเมื่อเอาตัณหาสามาคูณ36มสิจึงได้หนึ่งพอดีแล้วก็ศึกษาในคัมภีร์อื่นเป็นต้นเหล่านี้นะ ก็จะเห็นบอกว่าในตัณหาต่างๆเหล่านั้นนั่นนะนะจะได้ทําให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นขึ้นไปนี่ลักษณะของการทําความเข้าใจในเรื่องของตัณหาในคัมภีร์อื่นภาะวะตัณหาเป็นโลภะคือความอยากได้นะคือความเห็นผิดสัตว์เมื่อตายไ ป, ไปไปเกิดเป็นคนเป็นต้นตลอดไปทุกชาติไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็น ส, ะสะัสธรรมที่ตีนะเคยมั่งมีเคยยากจนยังไงเกิดไปก็มั่งมีแล้วก็ยากจนอย่างนั้นนะ่ย รวมทั้งไปเกิดในรูปะพบอรูปะพบก็เห็นว่าเที่ยงยั่งยืนเนี่ยไม่มีวันที่จะแตกสลายเนยนะกินความไปถึงความไข่ในฌานแล้วก็ติดใจอยู่ในฌานไม่ยอมที่จะหวนเข้าวิปัสนาเนี่ยโลภะหรือตัณหาจำพวกนี้จึงเป็นภัยแก่สังคมมากเป็นภัยนะเพราะเห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่ามีมีกรรมใช่ไหมไม่เชื่อแล้วจะทําชั่วทําอะไรต่างๆก็ทําได้ทั้งนั้นนะ เพราะต น, นเองถือว่ามันเที่ยงอยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมอย่างเงี้ยนี่กลุ่มภาวะตันหาวิภาวะตันหาความเห็นว่ามีความเห็นผิดว่าสัตว์เกิดมาเพียงชาติเดียวตายแล้วก็ขาดศูนแล้วก็ไม่มีการเกิดอีกเนี่ยนะไอพวกนี้ก็รายกาจตั้งแเกินเนี่ยนะทศจริตทศจริตอยากทําทําไปตามเบื่อใจอะไรเงี้ยเนยะอันนี้ก็เสียอีกการมาตันหาเป็นโลภะ ค, คือความอยากได้อารมณ์หกมีรูปารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะ ประกอบไปด้วยความหมนผิดขาดศูนย์ไม่ประกอบด้วยความหมนผิดว่าเที่ยงและขาดศูนย์เนี่ยนะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกา ม, มาตัญหานี่เป็นการ ม, มาตัญหาฉะนั้นก็ไปศึกษารายละเอียดของตัญหาหกตัญหาสามเหล่านี้ให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นจะได้เข้าใจว่าตันหานี้เป็นสมุทยัยสัจจะพระพุทธเจ้าตราัสว่ายังไงตรัสบอกว่า ดูก่อนพิกษุทั้งหลายอริยสั จ, จคือทุกขสมุทัยได้แก่ความทยานอยากที่ก่อให้เกิดพบใหม่ประกอบด้วยความพอใจเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆกล่าวคือความทยานอยากในกามคุณอารมณ์ความทยานอยากที่มีความเห็นผิดว่าเที่ยงความทยานอยากที่มีความเห็นผิดว่าขาดศูนย์เป็นต้นเนี่ยนะมีลักษณะอย่างนี้เป็นกราร ม, มาตัตหาเป็นต้นประการต่อไปก็คือทุกขานิโรธอีทาง ทุกขนิโรธาเนี่ยอีทางโคปนาพิกเวทุกขานิโรโทอริยสัจจังโยตัสยาเยวาตันหายาเสสะวิราขานีโทโทจาโคปฏินิสโคมุติอนารโยนี้ตัดในเรื่องของทุกขานิโรธ ท, ทุกขานิโรธกล่าวคือพระนิพานเนี่ยนะทีนี้อีทางโคปนาพิกเวทุกขานิโรโทนั้นเพื่อจะแสดงถึงทุกขานิโรธอริยสัจจานั้นนะนี่ยนี้สับนี้เขาแปลว่าอะไรเนี่ย นี่นี่แปลว่าอะไรบางแห่งแปลว่าพนน้นใช่ไหมถ้าเรียนจุดตีแปลว่าพ้นหรือเปล่านี่เนี่ยแปลว่าไม่มีก็ได้โรทะโดยศัพว์หมายถึงคุกฉะนั้นความไม่มีที่คุมขังคือทุกเนี่ยนะล่าวคือคุกในสังสารวัตรทั้งหลายดังที่ได้เคยกล่าวอันนี้พูดไปแล้วครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าที่ภิกษุเห็นบุคคลเขา จับโจรแล้วก็ตีตรวนแล้วก็ลากไว้ต่อหน้าด่อตาก็ไปบอกพระพุทธเจ้า ว, ว่าทรมานเหลเืลอเกินเหมือนกันเนี่บอกว่ามีคนถูกจับคุมขังถูกตรวนถูกลา ก, กโซ่ไปเนี่ยพระพุทธเจ้า ว, ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนทีถ่ถูกตรึงด้วยโซ่ด้วยตรวนเหล่านั้นไม่เรียกว่าคุกในสังสารวัฏไม่เรียกว่าเป็นทุกข์นะแต่การติดคุกในสังสารวัฏนี่เป็นทุกข์อย่างยิ่งเช่นโลธานเนี่ยแปลว่าคุก ความไม่มีแห่งที่คุ้มขังคือทุกข์กาวคือคุกในสังสารวัฏในสัจจานั้นความว่างเปล่าจากคติเห็นไหมคำว่านิโรธ ะ, ะ, ร ะ, ะนะะี่คือว่างเปล่าจากนิรยัคติเดรชาณัคติเปรติคติมนุสยัคติเทวคติคือว่างเปล่าจากคติเหล่านั้นคือไม่มีคติไม่มีคติในนรกในเปรตในอสุรากายในสติดาชานในมนุษย์และในเทวดาพรมเนี่ยนะ การที่ไม่มีคติเหล่านั้นนั่นแหละว่างเปล่าจากคติทั้งปวงอีกอย่างหนึง่งเมื่อได้บรรลุสัจจาข้อนั้นก็เป็นอันว่าไม่มีที่คุมขังคือทุกข์แล้วกล่าวคือคุกในสังสารวัตรเพราะสัจจาเป็นปฏิปักษ์ต่อทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าทุกข์ขณีโลโทชื่อว่าทุกข์ขณีโรทเพราะเป็นปันจจัยแห่งความดับโดยไม่มีโดยไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์นั่นเองนี่ลักษณะอย่างนี้นะคำถามบอกว่า หากจะถามบอกว่าพระพุธธทธเจ้านั้นแสดงทุกขานิโรธไ ว, ไจจโ ว, ว้โดยการดับสมุทยัยยะสัจจะเนี่ยโยตัสยาเยวะตันหายะโดยการดับสมุทัยนั้นพระพุธธทธเจ้าตรัสไว้เพราะเหตุอะไรการดับทุกไว้ด้วยการดับสมุทยัยนั้ น, เ, นเพราะอะไรเพราะผลจะดับได้ก็ด้วยอาการดับเหตุเปรียบเสมือนการรักษาโรคให้สงบได้ก็ด้วยการทําเขียดแห่หงโรคนั้นให้สงบเพราะเหตุนั้นเนี่ยทุกจึงดับได้ด้วย การดับสมุทรไทยนั่นเองไม่ใช่ดับโดยประการนื่นด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าต้นไม้แม้ถูกตัดไปแล้วเมื่อรากยังมั่นคงอยู่ก็ไม่มีอันตรายก็ย่อมงอกขึ้นได้อีกทีเดียวแม้ชั้นใดทุกนี้ก็อย่างนั้นชั้นนั้นเมื่อตัญหานุสัยยังไม่ถูกถอนกับทั้งรากแล้วก็ย่อมบังเกิดขึ้นบ่อยๆอตรงนี้สาคัญมากนะตราบใดถ้ายังมีตัหาเพราะความ เพราะว่าท Th ุกย enfin ่อมดับไปด้วยความดับสมุทัยนั่นเองนะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงแสดงทุกขานิโรธคือความดับทุกข์จึงแสดงการดับสมุทัยนะเออในในในพุทธประวัติที่เราเรียนกันน่ยที่บอกว่าเยธรรมาเหตุปปปวาเตสังเหตุทุงตถาคตโตอาหาเตสัญจยาเนโรโทจเอวังวาธิมหาสมณูมันบอกว่าเยธรรมาเหตุปปปวาทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด อะไรคือมีทำอะไรที่มีเหตุเป็นแดนเกิดเบนจะขันกล่าวคือขันห้าใช่ไหมขันห้าคือรูปเวนญญนญญนะทนาสัญญาสังขารวิญญาณนมะีสมุทรยัษสจัดเป็นแดนเกิดเยธรมาเหตุตปปภาเตสังเหตุตุงตถาคตพระตถาคตเจ้ากล่าวถึงเหตุและความดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นเตสัญจโยนิโรโทจนระ์พาาัฒนาพัฒนาสมณนมีปกติตรัสอย่างนี้ แต่สันจายโหนิโรโทจานั้นพระพุทธเจ้าตรัสถึงนิโรธาสัจจะคือการดับเหตยแห่งกองทุกขแห่งวัฏฏะทุกข์ความไม่เป็นไปของสมุทัยสัจจะความไม่เป็นไปของเบญจขันข น, นั้นท่านกล่าวไว้โดยฐานะเป็นนิโรธาสัจจะในที่นี้นะคือขันห้าไม่เป็นไปแล้วสมุทัยสัจจะไม่เป็นไปอันนั้นนะเรียกว่านิโรตนิโรธาสัจจะ มกษัจจะถึงไม่กล่าวก็ชื่อว่ามีอยู่แล้วไอ้คาว่าขันห้าไม่เป็นไปในะแปลว่าอะไรขันห้าหมดเหตุปัจจัยอย่างเราเราท่านท่านทัน้งหลายเนี่ยขันห้ายังเป็นไปอยู่ไหเนี่ยยังเป็นไปไหมกระแสของขันยังหมดหรือยนะังไม่หมดหรอกอย่างนี้ก็เรียกความเป็นไปของขันห้ายังมีอยู่เพราะเรายังไม่ดับเหตุของขันห้ายังไม่ดับเหตุของขันห้า จะดับทุกข์และแสดงความดับทุกข์ย่อมปฏิบัติในเหตุไม่ได้ปฏิบัติที่ผลฉะนั้นถ้าเราจะดับทุกข์เนี่ยเราจะปฏิบัติที่เหตุหรือปฏิบัติที่ผลพระธรรมคดเจ้านะั้นเป็นผู้มีความประพฤติเสมอสีหะเหมือนราชาสีพระพุทธเจ้าเหมือนราชสีฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติเพื่อจะดับเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ดับผลแต่ดับอะไรดับเหตุ นั้นเมื่อจะดับทุกข์เนี่ยจะแสดงดับทุกข์ย่อมปฏิบัติในเหตุไม่ได้ปฏิบัติในผลอุปมาเหมือนว่าสีหานะ่ะถูกผู้ใดยิงด้วยลูกศรไปที่ตัวแล้วเนี่ยราชสีเนี่ยว่าราชสีเวลาถูกยิงลูกศรไปที่ตัวแล้วก็ย่อมแสดงพลังของตนให้ให้ผู้นั้นอย่างเดียวไม่ได้แสดงให้ลูกศรชั้นใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทรงปฏิบัติอยู่ในเหตุไม่ได้ทรงปฏิบัติในผลมีอุปมาชั้นนั้นเหมือนกันถ้าพวกเดรัจฉิล่ะ มีความประพฤติเสมอด้วยสุนนะัขเขาเหล่านั้นเวลาจะดับทุกเนี่ยนะและการแสดงการดับทุกย่อมปฏิบัติให้ผลโดยการกระทําอัด ต, ตักกีมาฐานุโยคคือการทรมานร่างกายาตัวเองให้ลํบาบากมีการยืนการนอนบนหนามเป็นต้นเนี่ยนะฉะนั้นการแสดงอัด ต, ตักกีฬมาฐานุโยคเป็นต้นเนะ่ยไม่ได้ปฏิบัติในเหตุอุปมาเหมือนอย่างว่าสุนัขทั้งหลายเนะี่ยหมาเนี่ยนะเวลาถ้าถูกใครๆเอาก้อนดินขว้างแล้วเนะี่ยเขาจะเห่าอะไร เหาก้อนดินหรือเห่าคนคว้างแล้วเอาก้อนดินไปเหา่าไปเอ่อข้อไปเอาก้อนดินไปคว้างสุนัขดิคว้างปุ๊บลงไปนันวิ่งกัดต้นดินเลยจะเห่าก้อนดินเข้าใจใช่ไหมเขาไม่วิ่งก็ไปกัดคนคว้างหรอกนี่เป็นอย่างนั้นถ้าเอาไม้เหมือนกันนเอาไม้ไปแย่สุนัขเนี่ยมันวิ่งกัดไม้ถ้าราจะสีอย่าไม้ไปแย่เนะยมันมันกัดคนแย่มันกัดคนนะไม่กัดไม้นั้นเวลาจะดับทุกข์เหมือนกันอย่าไปดับที่ผล ไม่ใช่ไปด่าที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ให้ดับที่ไหนดับที่ไหนดับที่เหตุใช่ไหมเหตุของรูปคืออะไรอ่ะตอนเนี้ยอาวิชาเกิดรูปเกิดตัณหาเกิดรูปก็เกิดกรรมเกิดรูปเกิดอาหารเกิดรูปประเกิดแล้วก็นิพพติลักษณะคือการเกิดของรูปนั่นเข้าใจไหมในเหตุห้าอย่างนั้นอ่ะเหตุที่เป็นเหตุพิเศษนั่นคือสมุทัยสัจจะเป็นเหตุของเบญจขันธ ใช่ไหมเป็นเหตุของเบญจขันธ์อาวิชานี่เป็นเหตุในอดีตใช่ไหมเป็นเหตุในอดีตกรรมกรรมก็เป็นเหตุในอดีตตัณหานี่เป็นเพื่อนอยู่แล้วตัณหาในในปัจจุบันเนี่ยนะอาหารนี่เป็นเหตุปัจจุบันเนี่ยแต่โดยสรุปแล้วก็คือว่าตัวสมุทัยนะั้นท่านหมายถึงตัวสมุทยาสัจจะนี่เป็นอย่างนี้พวกอัญญาเดรถีทั้งหลายก็อุปมาอุปเเฉนนั้นเหมือนกันปรารถนาจะดับทุกข์ก็ย่อมประกอบ ตนให้ลำบากไม่ได้ประกอบด้วยการดับกิเลสบัณฑิตพึงทราบประโยชน์แห่งการแทงตลอดการแสดงการดับทุกข์ด้วยสามารถแห่งการดับสมุทัยอย่างนี้เท่านั้นนะนะทีนี้ตัณหาที่พระผู้มีภาคเจ้าตรัสว่าเป็นโปโนโปภวิกามีการก่อบพบใหม่เป็นปกตินั้นนะท่านจําแนกเป็นประเภทนะการมตัณหานั้นนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าเป็นกรมการมตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาเป็นต้นนี้เป็นไปในลักษณะ อย่างนี้ประการต่อมามัคมัคเนี่ยท่านเรียกว่าวิราคะก็แปลว่าสํารอกออกสมดังที่พุทธเจ้าตรัสว่าวิราฆาวิมุตติย่อมหลุดพ้นเพราะวิราคะนี่นีความดับโดยการสํารอกออกวิราโคนิโรโทเนี่ยความดับโดยการสํารอกอย่างไม่มีเหลือโดยการถอนอนุสัยชื่อว่าอาเสสาวิราคานิโรโทเวลาเรา กล่อาวอย่างว่าอาศัยตาและรูปเกิดจากครูวิญญาณการประชุมของธรรมสามอาการเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั่นแลดับด้วยการสํารอกโดยไม่มีเหลือด้วยอริยมรรคโดยไม่มีส่วนเหลือนี่นะอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพบจึงดับเป็นต้นไอ้คําว่าสํารอกโดยไม่มีเหลือนั้นมาจากศัพท์ว่าอาศัสาวิราคานิโรโท โดยการสํารอกอย่างไม่มีเหลือเพราะการถอนอะไรได้ถอนอนุสัยโซดาปฏิมักถอนอะไรถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีรพตาปรามาตถถอนทิฏฐานุนุใสและก็วิจิกิจฉานุสัยออกเสียได้ในขันดสันดานสกาทาคามีมักถอนอนุสัยอะไรได้ธรรมกามราคะปฏิฆาให้เบาบางอนาคารมีมักถอนอนุสัยอะไรกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย อรหัตมรัคถอนอะไรโรูปรราคะารโรปราคะแล้วก็อวิชาแล้วก็มานะใช่ไหมออกเสียได้นี่เป็นอย่างนี้การละอย่างไม่เหลือและการดับอย่างไม่เหลือการถอนอนุัยได้ดังที่ได้กล่าวมาเนี้ยแต่ว่าโดยเนื้อความแล้วบททั้งหมดนั้นแหะเป็นไวโพธของพระนิพพานนะว่าโดยปรมัตินิพพานท่านตัดเรียกว่าเป็นทุกขานิโรธอริยสัตว เพราะตัณหานั้นสถลอกและดับเพราะอาศัยพระนิพพานเตุนั้นจึงตรัสเรียกว่าวิราคะและนิโรธะธรรมทั้งหลายมีความสละเป็นต้นสละอะไรสละตัณหาตัณหานั้นย่อมมีได้เพราะตัณหาไม่มีย่อมอาศัยพระนิพพานนั้นในบรรดาความอาลัยทั้งหลายมีการมาคุณเป็นต้นเหล่านั้น แม้อาไัยด้วยไม่มีอยู่ในพระนิพพานนี่นั้นนิพพานจึงชื่อว่าจะค่าปฏินิสข้ามุติอนารยะอนารยะก็คือว่าถอนอาไล่นั่นเองเมื่อไรเราจะถอนาาอาไลอวรนได้ใช่ไหมก็คือว่าปริปรนิพพานนั้นแสดงทุกข์ณิโรธข า, ามีนีปฏิปทาอริยสัจเนี่ยนะถึงทุกข์ณิโรธและเป็นปฏิปทาแห่งการถึงทุกข์ณิโรธเพราะความเป็นธรรมชาติมีหน้าเฉพาะต่อทุกข์ณิโรตนั้นด้วย